ตัดไปคน้นลงมาแล้วต้องเลื่อยอก็ต้องมีแบบนี้ักบักการตัดการข้นการเลื่อยอะไรต้องมีแบบนี้ักบักมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้วิชาไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะผลงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกันอ เพียงว่าจะพอได้ทราบจากท่านสอนเรื่องการภาวนาเทนั้นเราเอาเรื่องภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอยู่มากยิ่งกว่างานอื่นบรรดางานของพุทธศาสนางานภาวนาเป็นงานสําคัญอยู่มากทีเดียวทวารหนักก็หนักมากต้องใช้ความละเอียดลอต้องใช้ความอดกลมกนจริงจริงจังๆถึงจะได้ผลเป็นลําดับไปทีนี้เพียง ได้ยินว่าภาวนาลําบากอย่างนั้นอันนี้บ้างแต่เรายังไม่ทํามันคิดลําบากไว้ก่อนแนละ้วเป็นทุกคิดทุกคิดยากคิดลําบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจทําให้ใจก่อนไปหมดแนละ้วน่นมันก็เหมือนเราไปมองในต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังนั่นจะทำงายไม้ทั้งต้นนี่ที่ทาได้ยงไหนก่านแต่ที่เรา นั่งอยู่ร้านี้มีแต่ไม้ทั้งต้นอยู่นั่นแหละเขาแปลสภาพมาเป็นกระดานพื้นเปน็นทันทเป็นถือเป็นแปรเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่างเขาสําเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความมุตสาพยายามและความเพลิดของเขามีการบําเพ็ญจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัยความอุตสาพยายามความอดความทนเช่นเดียวกัน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 เช่นเดียวกันท่านผู้มีบ้านมีรวนหลังสงา่าพาเผยใหญ่โตลโลหทานปรากฏเด่นคัดมองมาทางไหนก็เห็นหมดกระเทือนทั่วทั้งโลกถักก็ได้เจีจอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันแนนามัน่นคง มีัวาเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านเรือนทั้งหลายมีหมายถึงเดอนใจแล้วท่านทำวิธีใดท่านจึงสามารถฉลาดรู้และได้ทรงผลเป็นที่พุงปรารถนาจนได้ปรากฏชื่อดูมาและได้บอกวิธีการต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประธานโธวาตเอาไว้นั้น ล้าก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความเจริญแต่เฉพาะ อ, อย่างยิ่งทางน้านจิตใจท่านทำอย่างไรล้วก็พยายามทำอย่างนั้นจะยากลำ บ, บากแค่ไหนจิตทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทั้งต้นเพราะมันเต็มไปด้วยหลากแจวหลากปลอยกิ่งก้านสาขาอะไรมีตั้งแต่หลักแจวหลักปลอยของวิชาตันหาอาสวะ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 แค้นั้นเรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสทันหามะไม่รู้กี่ขั้นกี่ทับกี่กันที่ได้สังสมมาตรน็ะนเวลาไหนพ อ, อนกาหนดกิจลงไปไปเจ อ, อันนี้แล้วก็ทำให้อ่อนใจความเมื่อตื่อก็คือเรื่องของกิเลสความมนุษย์าษสีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ย มองหาทิศหาทางที่จะเป็นสาระสําคัญพอที่จะเป็นเครื่องดูดดูดจิตใจมันไม่เห็นมันมองเห็นแต่เรื่องของกิเลสที่จะทําให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอภายในจิตใจทั้งนั้นีในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็าตามพวกเราท่านๆหรือครูอาจารย์ทั้งหล้าที่เคยให้การอบรมกาสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็าตามท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละแต่ก็เพราะความพยายาม ได้วิธีการจากทำที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้จากครูบาอาจารย์แล้วนาวิธีการนั้นแต่ท้ายโดยทมเพียรนั้นตนเองสติปัญญาท่านบอกอยังไงก็พยายามดําเนินนั้นตามนั้นแล้พยายามบังคับจิตใจของเราจนมันแตกแขนงไปด้วยอํานาจของกิเลสแต่กประทางใดบ้างคิดตรุงในทางใดบ้างน่ะพยายามหักห้ามเข้ามาด้วยสติพยายามหาอะไรเป็นเครื่องเหนียวรั้งมาด้วยบทธรรมนี่เลย เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นต้องบังคับกันอย่างเช่นม้วนปวดขันตั้งท่าต่งางๆเหมือนจะเอาเป็นเอาตากันจริงๆกับการภาวนาเพียงเท่านั้นการภาวนาทั้งหมดถือว่าเป็นความดีแต่ในขณะที่เราทําเหมือนก็จะเข้ า, าแตงแตงถูกค่าถูกสังหารอย่งนั้นแหละมันฝืดมันเครือนมันอะไรทั้งหมดรว ม, มนั้นหมดถึงเมื่อจิตใจจิตเต็มไปด้วยพิเล ในถูการบังคับบัญชาก็เหมือนกับถูกการซักฟอกนั่นแหละด้วยสติด้วยบทธรรมบทต่างๆอย่างเอาจริงเอาจังก็ค่อยปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือค่อยปรากฏเป็นความสงบความเย็นใจขึ้นมาความสงบกับความเย็นกับความสบายเนะี่ะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าสงบมันก็สบาย ความสงบนั้นเกิดขึ้นจากการบังคับบัญชาเกิด ข, ขึ้นจากการฝึกทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่ให้จิตมันคิดเพ่นพ่านไปเจ้าสังสมกิเลสันเป็นยาพิษเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินขอ ง, ของกิเลสด้วยสติปัญญาหักห้ามไม่ให้คิดกลุ่มในไปในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบแต่จิตใจของเหล่า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 แผงเป็นอลายแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอืไม้เนื้อยังไงบ้างดียังไงปลอดภัยปลอดหรือไม่ปลอดเนื้อบริสุทธิ์ดียังไงทราบหมดอันนี้จิตทั้งเราเมื่อมีความสงบเย็นลงไปแล้วนนก็ไปเห็นจิตทั้งตัวเองซึ่งทรงตัวอยู่โดยลําพังไม่มีอารมณ์อันใดเข้ามาก่อขวัความไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาจูหญ่ก่อกวัญ น, นี้เป็นความสุขนี่คือคุณค่าของจิตที่ เป็นที่เกิดความสงบแสดงคุณค่าขึ้นมาให้เราเห็นแล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความผุ้งสร้างวุ่นวายตั้งแต่เริ่มแกรกแต่ไนแต่ไรมาก็ต่างก็ตมวนเข้ามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบไม่เช่นนั้นเราก็มองเห็นสิ่งเทียบเทียงกันไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบเลยเมื่อจิตมีความสงบความสงบนี้ก็เป็นเครื่องเทียบเทียงกับความแม่สงบ คือความสงบมีผลดีอย่างไรเห็นไหความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนให้พยายามบุกเบิกจิตใจให้ก้าหน้าไปเดินหักหรือพยายามปุ้ยเสียสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจหรือชำนะสากสารลั่นออกโดยลํานักลำหนักจิตก็มีความสงบแน่วแน่ลงไป ส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินัน้นมันเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายใิจิตใจที่เรียกว่าสันคิสคโขให้เห็นเองสําหรับผู้ปฏิบัติเถอะความสุขความสมายหรือความอัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกําระซักฟ อ, อกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่ม เห็นความแตกประหลาดและการขึ้นภายในตัวแล้วเรื่องความขยันมันเพียนความอุตสาห์พยายามนั้นมันเป็นมาเองภูมยากลาบากแค่ไหนก็ามายอมลดละมายอมถอยหลังคืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทีนี้เราก็พอท ร, ราบการเข้าการออกของจิตการคิดผิดคิดถูกของจิตคือการข้าเดินของจิตเดินไปทางผิดถูกอย่างไรบ้างเ ร, ราพอทราบได้เพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องน้ำมัตระวังรักษา แต่ก่อนไม่มีเลยมีแต่ขีเล็เอาไปขย่ําซะแหลกหมดถ้าว่าจิตนี้เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยเลยปุ๋ยผงมันซะอีกอาจจะเรียกได้ ว, ว่าเป็นอากาศสภาตกันหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งยากอ ย, า ง, กงกอยางล บ, บากแค่ไหนก็รับภาบอยู่โดยปกติทั้งตนไม่มีความทิฐิหาย เมื่อได้รับการชักว่าขึ้นมาความสว่างภายในตัวเองก็ปรากฏเริ่มฉายแสงออกมาได้เพราะสิ่งปิดบงังนั้นเป็นสิ่งสกรปรกโสมมเป็นสิ่งที่มืดมืดดำดำได้ค่อยกระจายออกไปเช่นเดียวกับก้อนเม็ดดำดำที่จางออกไ ป, ออ ก, ไปก็จะมองเห็นแสงสวง่างเหมือนพระอาทิตย์เช่นนั้นเหมือนกันจิตใจก็เริ่มมีความสว่างสวายขึ้นมาที่นั่งอยู่ที่ไหนก็เริ่มสบายนะที่นี่นะ ทำการทำงานอะไรก็สบายทำให้เพลินในหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ภานจิตก็ทำให้มีความสบายคิดย้อนหลังมาถึงการภาวนาเราก็ทำให้เพลินเนี่ยแล้วคิดไปข้างหน้าก็ทำให้เพลินที่จะขยับตัวขึ้นด้วยความเพียรอย่างนี้เรื่อยๆใหยทำให้เพลินไปเรื่อยๆแหละมีความสงบ ความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยเลือะเอียดต่างกันเป็นันดับหนึ่งท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตที่ในจิตไม่ค่อยโอนเพราะเอ็นอะไรนักละเพราะมีหลัก มีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตเรือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็ยนใจสบายพอจิตมีความสมายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่จิตเริ่มสมบายเป็นลำดับหนาลาดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ค่อยยึดตัวีิารว่าจะโอดดาขาดแคลน เพราะทัพย์ธรรดเป็นเครื่องสนองมีอยู่แล้วอืจิตใจเมื่อเป็นสรรมดิขึ้นพานในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจํากับใจอยู่แล้วก็มีความสมายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ว้าวุ่นขุนหมวดไม่ว้าวิมีความเ ย, าย็นสบัดนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือ น, เอนขั้นนั่นขั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญา พยายามฝึกอดคิดค้นตามท่าตามขันตามมารณาค์ของเราเื้ยหลักธรรมชาติที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องและเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านเคยผ่านไปแล้วท่านเคยเดินไปแล้วเป็นความถูกต้องเลยมาสอนพวกเราว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินเพื่อขั้นินนี้ผ่านเพื่อความหลุดพ้นเป็นลํำดัแบลบะอืม อันใดที่เป็นความสนิทภายในจิตใจถูกตั้งกับจิตของเราเรามีความสนิทกับธทำใดในทั้งในธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นอนิจจังก็าตามเป็นทุกขังก็าตามเป็นนัสตาก็ตามและเรามีความชอบใจกับอาการใดหรือกับธาตุในในธาตุทั้งสี่นี้ กับอาการใดในอาการทั้งสามจุดสองซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้กับอายุนะใดในบรรดาอายุนะที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายต่อถึงใจเราจะพิจารณาอายุนะใดก็าตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็าตามจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้นสี่นี้ก็ตามย่อมเป็นทางเดิน เพื่อความรู้แจ้งที่จินด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกันเป็นสติปัฏฐานสี่ด้วยกันตามแต่จริตทั้งเราที่ชอบจะพิจารณาลรื่อหนักในอาการใดในธาตุใดขันใดแล้วก็เป็นเหตุให้กระจายไปหมดไม่เพียงแต่จะรูปสัมภาตเดียวขันเดียวนี้เท่านั้นยังสามารถที่จะซึมซาบตลอดทั่วถึงไปหมดไม่ว่าขันใดๆ เพราะเกี่ยวเนื่องกันเป็นแต่เบื้องตน้นเราชอบในอาการใดขันใดธาตุใดเราทํางานในขันนั้นก่อนแล้วก็ขยายงานออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยลําดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติคือจะขี่เรื่งานหรือดําเนินไปเดิมลำดับเหมือนกับว่าก้าวเดินไป เ, เรื่อยๆด้วยหลักธรรมคือาั่งทุกขังต า, าเป็นสายทางให้พาเดินไป ด้วยสติปัญญาของเราีขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนถึงขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นยีตะล่อมกิเลสให้รวมตัวเข้ามาสู่ภายในจิตให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วก็มีกำลังควรจากการพิจารณาท่านเพื้อไม่ให้นอนจัด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 สัมผัสสัมัสพนสติมีความรับทราบมีความจงใจดูในจุดนั้นในอาการนั้นในธาตุนั้นหรือขันนั้นั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วปัญญาจะค่อยซึมทราบไปในขันและธาตุอื่นๆไปโดยลํำดับลำดับเป็นความเพลิดเพลินในการพิจารณาไม่ใช่ว่าจะพิจารณาด้วยการบังคับ คือจิตได้เห็นคุณค่าของการถอดถอนกิเลสด้วยปัญญามากน้อยเพียงใดย่อมมีความดูดดึงต่องานของตนโดยลำดับเพื่อจะถอดถอนกิเลสเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นเลยจิตยอมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความผูกความสว่าง เมื่อเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยการพิจพิจารณาในนี้ทําต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั้นเข้ามาถือสมาธิคือความเย็นสบายนี้เสียไม่พุ่งสร้างลำขาดเพราะเรามีเรือนแห่งความสงบผีแล้วภาในใจท่องเหล่าจากนั้นเราก็พิจารณาคือพิพจารณาก็าเหมือนกับเราทํางา น, เ, น, นเมื่อดิ้เหนื่อยเมื่อยล้าเราพักสักทีเสนรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบา ย, บายเวลานั้นเราไม่ต้องเป็นเป็นห่วงเป็นกังวลกับงาในใดๆทั้งสิ้น พักให้สบายพอสมายแล้วก็ทํางานอีกเวลาทํางานไม่ต้องไปกังวลกับการพักเพราะได้พักมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาทํางานขณะที่พักความเพื่อจิตพักเพื่อความสงบของจิตแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพักจะพักเพื่อทาบทใดก็ตามเช่นกําหนดพูดโุยหรืออนาปานสติให้ตั้งหน้าต่อจิตเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ต้องไปคิดยุ่งกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทําให้เป็นสมาธิ ให้สู่ความสงบพอออกจากความสงบที่จะกล้าทางด้านปัญญาให้มีแต่หน้าที่ของพิจารณาทางด้านตัญญาทันั้นเรื่องความห่วงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบนี้ไม่ต้องเพราะขัดแยง้งกันกับงานที่กําลังทํานั่นคืองานสมาธิอกิจตั้งคืองานของปัญญาการทำต้องมีการคิดการปรุงการตะรึกตรองคิดพิจารณาในสิ่งต่างๆ เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังในสิ่งที่กําลังติดพันกันกันกบใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเวลานี้เดียกวกับเวลาทํางานทําให้เป็นเม็ดเป็นหมดใจ ต, ตอนนี้จนเป็นที่เห็นแจ้งเห็จริงอา้าวธาตุขั น, น, กกนขันไหลถนักับปิดในขันใหม่รูปก็ขันแยกดูให้ดีมันมีแต่กองเนื้อของหนังกองกระดูกทั้งนั้นตัดธาตุพิดิบกันอย่างนี้หมดเรามาถือทําไม ไม่อายความกินบ้างเหรือถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนเราสอนอย่างนี้ดูนี่เราไปเยี่ยมประชานั่นป่าชาภายน้องยั ง, างาภายในตัวป่าชาภายในตวงเรานี่เต็มไปหมดเออยิอ่งหนา้าอินาละอาใจยิ่งกว่าป่าชานั้นมากมาแา่ ก, กองทําไมมาถือว่านี่เป็นเรานี้เป็นของเราแม้ละอายกดหลักธรรมชาติบ้างเหรือคือความกินของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทําไมเราจรึงไปยอมตนบ้า ต่อเขาจนมากมายแล้วก็โยทุกมาให้ตัวเองอย่างมากหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้น่ะการพิจารณาเฮี้กับพิจารณาเพื่อแก้ความหลงของของเรานั่นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะเอาธาตุเอาขันเอารูปเอาอายชนะเหล่านี้มาเป็นตนเป็นของตนเขามีความจิงอยู่อย่างไร เรพิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะได้ถึงความจริงของจิตจะได้ถึงความจริงของสติของปัญญาของตนอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมายการพิจารณานี้และฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆถึงเราพิจารณาลูกก็ไม่ได้หมายจะเอารูปเอาเวทนาเอาปัญญาทั้งหายวิญญาณแต่พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของลูกของกายของธาตุของขันธ์อย่างชัดเจนตาม ความจริงของหนาพิจารณาเวทนาทัญญาทังขันญางก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นผู้ลุ่มผู้หลงจิตเป็นผู้สําคัญมันหมายจึงต้องแก้ความสั้งันหมายของตนด้วยสติปัญญาให้เข้าใจชัดเจโดยลําดับแล้วเราจะถือว่าเราพิจารณาหลายครั้งหลาหนแล้ววันหนึ่งหนึ่งพิจารณาหลายครั้งหนไม่สําคัญสําคัญคือความเข้าใจเข้าใจจนปล่อยวางได้ถามวา่าเรา อ่อนเพลียแล้วก็พักเป็นการพิจารณาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตก็มาสู่ความสงบแล้วภาคเสียหลังนั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณาเลยนะช้ำช้ำซากซากไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความดิ้ถือี่ถึงจะจะ ย, ยากจะลําบากยังายก็ตามเมือ่อ เราได้ดำเนินกิจก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วจะเป็นขั้นที่มีความเพลิดเพลินต่อทั้งเหตุทั้งผลที่ได้รับมาแล้วและผลที่จะพึงได้รับในการต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี่เราเป็นผู้เข้าใจในงานถ้าาเป็นไม้ก็กาลังด้วยกําลังสายกบโจเหลี่ยมของมันอย่างเทินอ่ะก็เข้าใจวิธีทุกอย่างไม้ตกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นทีเดียวกระดานเจ้าประเภทไหนเลื่อยออกมาเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเห็นอย่างชัดเจนน ควรที่จะใส่ขบลบเหลี่ยมไส่ลงไปควรจะเจาะจะสิวเจาะลงไปเรื่อยๆตามความตลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความตลาดของผู้ปฏิบัติที่จะแยกจะแยกคัดขันให้เป็นอะไรตามความจริงขงึงนมนแยกแยะตามด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถ้อยจนสามารถถอดถ อ, อ, อนตนขั่งตนออกได้เช่นจากรูปถ้าพิจารณาชัดเจนลงไปจนเห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วจิตจะทนไปยัดด้วมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้ บังคับให้ยุดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานะี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสาคัญถือเอาความรอบเป็นสําคัญแล้วการเตี้ยที่อธิบายนี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องเที่อธิบายหล่งนี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูป ก, กายของเราทั้งกายนั่นะเก็บที่ตรงไหนกับกายของเราเนี่ย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 หลงสำคัญว่าตนเป็นนั้นตนเป็นนี้เข้าไปแล้วก็ในขณะได้ที่หลงนั่นแหละคือพิเรได้ท่าแล้วได้เปรียบเราแล้วเราแก้ไม่ทันต้องพยายามแก้ให้ทัน ừ, การพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้หไม่ว่ากายพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้หรือทนาไม่เกิดจากไหนเราเกิดจากกายนั่นแหละอาศัยกายเป็นที่เกิด แม้จะไม่รู้เรื่องนันก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรูกก้ับะิต อ, อกกกายก็ตามกายเป็นการม่รับรูกก้กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตงูกเผาบาปัญญาก็ต้องประยุดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกอจึงต้องใช้ปัญญาพีจะน้าแยกแยกให้เห็นตามธรรมจริของกายของเวทนาของจิตให้ทับเปลี่ยนลงไป การพิจารณาทำขั้นนี้เทินเทินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมนาที่จะบอกเทินเป็นขั้นหน้าบดื้อขั้มขั้นสม่ำเสมอเป็นความเทินเอาที่นี่ขั้นที่เกิดความขั้นที่จนกรอกจนมุมคืออะไรขั้นที่ลูกเวชนาเกิดมากมากนี่แ่ะเป็นขั้นที่หัวเลี้ยวหัวต่อขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียวเออาขับเป็นแชมเปียนกรอกเข็มขัด แฉมจะหลุดถ้าไม่เก่งทำง่าจะให้สข็มขัดมันคงที่อยู่ได้ให้ได้ช้ชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากลมให้ใจสิ้นไปเสียทะนั้นถึงจะถอยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสำคัญยิ่งกว่านี้ขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไม่ตาย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 พิจารณาด้วยปัญญาให้อย่างแหลมคมให้รู้เท่าทันเช่นเดียวกันพิจารณาแยกแยะมันเจ็บมันทุกมากเท่าไรจิตยิ่งไม่ถอยหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่ความจริงคือทุกเวทนากับกายกับจิตแยกกันให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นโดยปกติมันเป็นคนละอย่างละอย่างอยู่แล้วนี่ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้กายเป็ น, ก า, ปนกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตแต่มันมาค้าเข้ากันเพราะความโง่ความหลงของเราเท่านั้นเอง ธรรมชาติเขาคือหวานเล่าเป็นคนไปกว้านออกมาค่เข้ามาเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราต่างหากธรรมชาตินั้นเขาไม่ได้รับทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ต่างแม้จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเขาก็ไม่รับไม่รับทราบไม่มีความหมายในตนมาเป็นทุกและเป็นทุกข์ให้แก่ผู้ดัาสิ่งเหล่านี้เป็นความสําคัญของของจิตเราทั้งนั้นกายก็ไม่ได้สำคัญตนมาเป็นทุกทั้งทั้งที่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในร่างกายกายก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นไรเป็นของไข่เลียนนาคือความทุกข์เป็นต้น ทุกมากทุกน้อยก็เป็นธรรมชาติความจริงของตนอยู่ไม่ได้มีความสําคัญนั้นหมายและมีความรู้สึกว่าตนได้เป็นอะไรและเป็นขึ้นกับสถานที่ไรเป็นขึ้นเพื่อกลทกระเทือนอะไรเป็นเหตุเป็นผลกับอะไรกับใครไม่มีทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาล้วนสําคัญที่จิตจะต้องพิจารณาให้เห็นชาติจริงตามสิ่งนี้ทุก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงของมันอันหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ให้มันฮึบคานออกมาหาเราว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกไม่ว่าทุกเป็นกายกายเป็นทุก อืถ้าอย่างนั้นมันค้าเข้ากันผมพิจารณาให้เห็นชั้นดังนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสาคัญขึ้นเวทียันสาคัญขึ้นตรงนี้แหลอเดี๋ยว่าจนเกาะหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางคู่โดยถ่ายเหยียบหาทางถอยถอยไม่ได้ทุกเวทนาเราถอยไม่ได้ยังไงถอยตะลามันยีเหยียบย่ำเราลงไปจนสติเราตั้งไม่มีกับตัวเลยดีแล้วหรือ่ะ ตายด้วยความเสียสติล้มละลายด้วยความเสียสติด้วยความไ ม, ม่มีท่าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้เลวที่สุดนะี่เรียกว่าเหลวที่สุดแพ้ที่สุดแพ้อย่างลุ่ยลุ่ยใครต้องการหรือควา ม, มาแพ้อย่างลุ่ลุ่ยนี้มีใครต้องการบ้างแล้วเกิดขึ้นกับเราเรายังจะต้องการความแพ้อย่างลุ่ยุ่ยนี้เหรืออพิจญญาน ล, ลงไปทำไงจิตจะไม่แพ้เอาค้นลงให้ชัดเจนจิตตายไม่เป็นจิตไม่ใช่เป็นผู้ตายจิตเป็นนักต่อสู้สู้ทุกสิ่งทุกอย่าง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 โดยทางปัญญาของเรานี่แหละจะได้ชัชชนาที่ตรงนี้พอได้ชัชชนาที่ตรงนี้อย่างกระจัดแล้วเอาตายเธอนานมันขึ้นทันทีเลยจะ ต, ตายที่ไหนก็ตายเธอเวลาไหนก็เธออิเดียบทใดก็เธอมันเป็นความจริงเสมอกันหมดทุกเป็นทุกเราเป็นเราคือความรู้อันนี้เป็นความรู้กายเป็นกายเรศนาเป็นเรศนามันต่างอันต่างจริง <S <S เอา้าดับดับไปถ้าไม่ดับจะอยู่ก็อยู่ไป ผู้รู้อยู่เสมอจนกระทั่งหมดเครื่องรับทราบหมดเครื่องรับรู้หมดเครื่องมือที่จะให้รู้ปล่อยตามความจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานคือหมดเครื่องมือในขันที่จะนํามาใช้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนไปรินปรินิพานขึ้นมาคมว่าดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลย <c oughs> เหี้ยสงครามหรือการพิจารณาให้เห็นจริงเห็นจัง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 เราต้องการความไม่มีหวัดเราต้องการความปลอดภัยไม่มีอะไรมายั่วยวนจิตใจเราให้เกิดความรุ่มหลงทุกขเวชนะเมตนาเป็นของจริงก็จริงใจคิดใจเฉี่ยมันมันชอบแทรกเสมอชอบหลอกเสมอถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงกลมันได้คุณต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่มีแฉ่งชัดเจนนี่เราพูดถึงเรื่องขั้นขั้นเรื่องทาบเรื่องพัน รูปธาตุรูปรขันธ์กับเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เวทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเรากายเราจริงอยู่ในถ้าก่างอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้ประดังมันเข้ามากระทบเ่างกายเป็นเนื้อบนเขียงไปได้ทมันหมุนขึ้นมาเขียงหมุนขึ้นมามีดสับลงไป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 ถ้าเราเป็นผู้ฉลาดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราจะใสิจิตของเรามีความแหลมคมเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องเราเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความเฉลียวฉล า, าขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความฉลาดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเมเทีอันสำคัญในการถอนหนัก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 อริชาปฏิยาสร้างขาราสร้างขาราปฏิยาวิญญาณวิญญาณปัินาณมรูปังเรืยๆเรื่ยมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นธรรมะทิติภูตังอวิชาปฏิยาสร้างขาราท่าน่ทิติภูตังหมายถึงจิตอวิชาอาศัยจิตเป็นอวิชาปัิยาสร้างขาราขึ้นมาเพฉะนั้นจึต้องพิจารณาลงไปที่ น, นั่นลงไปที่อวิชาปฏิยาสร้างขารามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิต มีจิตเป็นที่อาศัยของอวิชชาไม่มีจิตอวิชชาอาศัยไม่ได้นะจึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่ไหนทำละอไปนี้นั่นฟากฟันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญาทันสมัยอวิชชาขาดกระจายหมดอวิชชาวัจเจวะท่าที่นี่เรองที่นี่กันดับดับดับดับดับเลื่อยไปมีภาษาเจ้าวลาัตว์ทุกข์ขั้นภาษาเรื่มทั้งหมดสุภิโรโทโหติ ในเบื้องต้นของวิชาว่าสมุทรโยโหติทากกลายเป็นอวิชาพัจจะวะวเวสวะสลาก า, ารนิโรธาสรางก า, ารนิโรโทแล้วก็เป็นนิโรโทโฮติโดยมีตัสสจเกลาระสาดูขั้นทัสสะนิโรโทโฮตินะเหตุพลิกกันเชิงกันนั้นตายเป็นนิโรดดับสนิทขึ้นมาภายในใจคือดับที่เหลืออย่างสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นเป็นขั้นสุดท้ายแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือน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 ดังหลักธรรมท่างกล่าวว่าทุทธศาสนานำตารตังสุก ข, ขังสุขเกิดจากเครื่องความทุกข์คือการประกอบทุกซะก่อนก่อนจะได้ความสุขนี่การประกอบความเท่าเพียมจะเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่ต้องแบบแต่ฟังทุกด้วยการกระทําทั้งนั้นนักก็ทําเบาก็ทำํำนักก็ทุกเบาก็ทุกเนี่ว่าจนมาตั้งถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ที่เกิดเนื่องมาจากการกระทำนั่นแหละง่าย นี่เป็นบ้านเป็นเรือนอันสมบูรณ์แล้วท่านหนึ่งเป็นสมาธิท่านหนึ่งเป็นปัญญาท่านสุดท้ายเป็นนิมุติบ้านสามท่านพอพอท้ายอยู่สบายนี้อยู่กันไปจกนกรทั่งถึงวันปณิพานแม้จะเป็นท่านผู้ใดก็าตามเมื่อถึงขั้นนิมุติุพ้นแล้วเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต้องอาศัยเป็นไปลําดับในระหว่างขนาันธกิจที่ครองตัวอยู่ต้องได้บําเพ็ญทางสมาธิบําเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาตามเรื่องตามราของมัน เรว่าเป็นที่จะทําให้มีความรื่นเริงเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องดีสบายสบายในระหว่างขันระกิดที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว ส, สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วจากนั้นแล้วคําซึ่งมาขึ้นถึงคําว่ามิมุติหลุดไปเลยจากท่าจะขันไม่เพียงจะหลุดจากที่เดียวแล้วปล่อยจากท่าจะขันไปแล้วหมดคาพูดที่จะพูดกับ อีกต่อไปยินขอยุติการแสดงเกินทางนี้